เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องถือศีลที่ใจครั้งหนึ่งท่านตันสานกับท่านอิกิโดภิกษุชาวญี่ปุ่น เดินไปด้วยการตามถนนซึ่งเต็มไปด้วยโคลนฝนตกมาอย่างหนักขณะนั้นฝนก็ยังตกอยู่เมื่อเดินทางมาถึงทางแยกท่านทั้งสองพบสตรีสาวสวยงามนางหนึ่งสวมกิมโมโนไหมและมีผ้าไหมคาดอกอันสวยงามนางไม่สามารถข้ามทางแยกตรงนั้นได้มาสิแมนู ท่านตันซานเข้าไปหาและพูดขึ้นแล้วท่านก็อุ้มนางข้ามถนนโคลนไปแล้วก็วางนางลงที่ฟากถนนอีกด้านหนึ่งท่านอิ ก, กิโดไม่พูดอะไรเลยจนเมื่อเดินทางมาถึงที่พักในวัดเมื่อไม่สามารถจะอดทนต่อไปได้ท่านอิ ก, กิโดได้พูดขึ้นกับท่านตันซานว่าเราผู้เป็นพิสุมีวินยัยย่อมไม่ไปแตะต้องกายของสตรี เฉพาะอย่างยิ่งสตรีสาวที่สวยงามมันเป็นอันตรายทำไมท่านจึงไปทำเช่นนั้นท่านตันสารตอบว่าผมวางนางลงที่โน่นแล้วท่านยังแบกนางมาถึงนี่เทียวเหรอ